มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวั์ปรินิพานะปัญหาที่สี่ถามว่า ผู้ที่จะไม่ต้องเกิดอีกนั้นจะได้เสวยทุกบ้างหรือว่าหาไม่ได้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระเจาองค์การถามอัธปัญหาอันอื่นสืไปเล่าว่าพันเตนาคเสนาะฆ่าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าบุคคลที่ไม่ปฏิสนธิไม่เกิดใหม่ในภพบเบื้องหน้านั้นจะได้เสวยทุกบ้างหรือว่าหาไม่ได้ พระนาคเกษรจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนที่ไม่ปฏิสนธิไม่เกิดอีกนั้นเสวยทุกบ้างไม่เสวยทุกบ้างพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสซักว่าอย่างไรไม่เสวยทุกอย่างไรเสวยทุกข์พระนาคเกษรจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐท่านที่ไม่เกิดอีกนั้นสเสวยแต่กายยิ ก, กะทุกข์อันประกอบในกายมิได้สเสวยเจตสิกะทุกข์ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรถามว่าอย่างไรเรียกว่าทุกข์ประกอบในกายอย่างไรเรียกว่าทุกข์ประกอบในเจตสิกพระนาคเกษ็จจริงวิสัญญาว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเหตุปัจจัยอันแต่งกองทุกในกายนั้นยังไม่ดับก็ยังมีทุกอยู่และท่านที่เป็นขีณาศพนั้นสเสวยทุกขเวทนามีในกายนั้นเหตุว่ากายของท่านนั้นยังเป็นเชื้ออุปาทานตกแต่งมีเหตุปัจจัยไปกว่าจะถึงนิพพานในปัจฉิมชาตินั้นท่านที่เป็นพระขีณาศพ จึงเสวยทุกสำหรับกายให้อาภาษเจ็บไข้และต้องบาดเซียนหนามยอกนั้นท่านก็ได้เสวยทุกอันเจ็บปวดในกายขอถวายพระพรที่ท่านไม่เสวยทุกอันประกอบในเจตสิกนั้นคือเหตุปัจจัยที่แต่งจิตเจตสิกดับแล้วไม่มีโลโพโทโสโมโหกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้มีเหตุดังนั้น ทุกในจิตเจตสิกจึงไม่มีมีแต่ทุกอันประกอบในกายขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชะองค์การซักว่าข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าถ้าแม้นว่าพระอรหันตาขีนาศพเจ้ามีทุกเกิดในกายอยู่กรณีเหตุไรจึงจะได้ไปนิพพานพระนาคเสนถวายพระพรว่า มหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารท่านเสวยทุกก็แต่ทุกสำหรับกายอันเป็นเชื้อสายอุปาทานท่านมีราคะปราศจากสันดานหาเหตุปัจจัยที่จะแต่งไปไม่ได้ท่านก็คงจะไปนิพพานโดยฤดูการอันสมควรแล้วท่านก็ย่างเข้าสู่พระนครเมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระประถมโมฆะมหานาคร น, นิพาน อันดับเสียซึ่งชาติกันดานชารากันดาลพยาธิกันดาลมรณะกันดานเป็นที่สุขเกษมเอกันตะบรมสุขปราศจากทุกในสงสารสมด้วยถ้อยคาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพุทธอัครสาวกวิเศนิเทศไว้เป็นคาถาดังนี้นาพินันธามิมรณงนาพินันธามิชีวิตัง กาลันจะปฏิกังขามิเวทนางพัตตะการกโกยะถานาพินันธามิมารณังนาพินันธามิชีวิตังกาลันจะปฏิกังขามิสำปะชาโนปฏิสตโตติกระแสความในพระคาถานี้ว่าอหังอันวาา่าฆ่านาพินันธามิมิได้ยินดีบัดนี้ มะระนังซึ่งความตายอาหังอันวา่าฆ่านาพินันธามิมิได้ยินดีบัดนี้ชีวิตตังซึ่งจะมีชีวิตเป็นไปพัตตะการโกเปรียบดังพ่อครัวเชิญเครื่องเสวยคอยท่าสมเด็จบรมกษัตริย์จะเสวยเมื่อใดก็ยกเครื่องไปถวายเมื่อนั้นยะถามีครุวนาฉันใดเล่า อะหังตัวข้าพเจ้านี้ปติสโตมีตันหาปราศจากมีกิเลสราคะอันขาดจากสันดานสัมปชาโนมีสติรู้รอบคอบเป็นอันดีข้าพเจ้าจะถึงแก่มรณะก็ไม่ยินดีจะมีชีวิตเป็นตัวเป็นตนตอยู่ก็ไม่ยินดีกาลันจะปฏิกังขามิข้าพเจ้านี้ ปรารถนาซึ่งการอันควรที่จะเข้าสู่พระนิพพานเปรียบปานดุจพ่อครัวอันคอยการอันควรนั้นสิ้นคำพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเท่านี้เหตุดังนั้นที่ท่านจะไม่เกิดอีกนั้นยังมีชีวิตอยู่จะเสวยทุกสิ่งเดียวแต่ทุกในกายทุกภายในเจตสิกไม่มีท่านคอยการสมควรของท่านแล้ว ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีได้ฟังพระหน้าเกษณวิสัชนาชนี้ก็มีน้ำพระไทัยหันสาทรงพระโสมนัสมีพระราชโอการตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าววิสัชนานี้สมควรนี่กระไรสิ้นวิมัติสงสัยของโยมในการบัดนี้ ปริญิพานปัญหาเป็นคำรบสีจบเท่านี้